าาก็ตแบบ้องตากนะถ้เจ้าบรรยัตอาจารย์พันมาแต้นะเพราะว่าอยากโยนมุสิกการบ า, านซ่จะมารดับรักทางธรรมทำแสงทุกระกาที่เวลาปรยัดลำบากและกิจการบางง้านเรือนมากดังนั้นจึงบ้านจึงบัรยัต าแปดข้ามสิบสี่นาข้นวันกระดับร้าฟังามคำสอนสิบที่นิ้วัปดชานโอกาสดนิสิตการงานใยายมากระดับร้าฟังกันแต่ในสมัยทึกษาการการกระดับร้าวฟังนั้นสั้นผู้ป็สายคัญแต่จำชีวิตเรา้องมาังเล่นตังเต้น บางเทีนนำอัดทำทำสองสองพระพุทธเจ้านั้นไปปฏิบัติกายใจเ้ี่ยงตนเ่รับความสุขการสาธหน้าที่อเป็นคนคารวาทำสองคารวะเป็นตให้เป็นต่างใจปฏิบัติเป็นรที่สื่อสาราเลยตเหมนนีการงานอื่นมีแต่นาช่แต่ประดับรับฟังรู้คนคิ ติดามแสตชัยกายใจทังเนนั้นเปในบัญัติวันเวลาจะระดับรับการธรรมะจากผู้พุทธเอ์ตอนใดเวลาใดเขาเองเโอกาสให้ศึกษาได้ทุกการทุกเวลาไปวันนี้ถึงอยากเป็นวันธรรมะสวรรค์สุราวาจัดโยมจีดโอกาสมาว้พระเสียเงิน สรดับรับฟังทำโอกาสเวลาคือเราเสียสละเวลาสถานบ้านเรือนมาแต่พาการต่าง่างตาสดับรับฟังจิตใจการฟังทำสระดับรับฟังจิตใจสังเกตเราอย่างยั่งยืนความสงบความสบายไมมีอะไรก็น่่อนจิตใจให้ปลไป ในทางคิดในเนื้อใจทางใจทางเสียงภายในเสียงภานั้นนักเรียนเยอะทางการมาเรต่างๆทให้จิติัยินดีเฉยเเห็นหนังทำให้ลใจเสใจจักอัคการตั้าตงีระเบียบจจัน กับการต่างๆตารางต่างๆเพราะการต่างทจะต้อมีความประดิเนียหนึบหน่สงาจิตใจของตนวันนิดอะไรวารัฐทำนั่อนเือนไปเรื่องอื่นเร่ตใจต่างๆใจอื่นนเอียงๆจจัหลักใ้ทจะมีปัจจุเอือร่าง แล้วอตัวเพราะระยะลึกเราต่างทำทำต่างของของผเจ้าื้อใดือดจิตนตไปไปเปละอื่นเมอตัวอย่างนั้นจิตใจตั้งเปลี่นอยู่แล้วทำต่างของคือางสดงไปเลหลายงไปใจทำหน่วยใจเหืเียนใจเอา์เดียวหือแทํา ดและถอไปจแถวนั้นอยู่เป็นการสลับรับฟังดูดีทำอะไรอย่างนั้นจิตใจเงคุใจแฝงรายรนั่งฟังกันอยู่แสง่าอะไรบาปมุนเป็นเิดจถูกอะไรจะไปปฏิบัติใส่จิตใส่ใจแย่สารัดถอนยอมเลยได้และในใส่ใจใอัดทำท่แสงไป การเปลี่ยนใจผู้คนสองแสล่ะแต่ม to totally ีหลายท่นหลายคนเลือกการเอาประโยชน์ปนระโยชน์ศาสตรเนี่ยเลือกการผู้แตรงสองแสล่ะโดยเฉพาะแสล่ะที่ถือยึดอยู่ในงานบ้านเรียน แามโลกเกคุณจะออกจากโลนินแแบบนั้นประโยชนปัจจุบันคือกาสาแบบที่อุสายละสแต่าแต่ถึงเ้าเมความันามใยันใันนะับเปนัทางต่นการหาหายุติธรรมแต่จุ่ตามคยันมันเพียงเพียงที่เขปประกน ระดับนเป็นสื่อที่ยิ่งเสริมแต่เมื่อเราเป็นผู้ตยเอย่านัอกำลังทางพยัญะทารต่างๆไปต่อย้อนเหมือนเพื่อนเราไได้ทางพยัญชนะา้ การหน้าคื่นเกินไปเส้นบาดเนื้อจะมีติดจุดติดยาอยาดจนต่อไปอยากมีความแข็งความยันอยางนั้นอยากรักษาเส้บาดที่หายมาได้มีอารักษาังการดูกาจ็บรักษได้เมดผื่นื่เรียลาไป แต่เป็ัยแรายอันตรายสายเบดเจ็บน่านนงัปัยราแเนบนยยโไตยอะแยะแล้วเริไปอย่างนั้นอย่างนี้เพราเ็บไปเยดแต่้บทเรานรักษา เป็นื่องแบบนั้นถ้าเป็นเรื่องบาดเจ็บ c h จะยื่นรักษาเจ็บได้เป็นขี้ยางดีอะไรนั้นเขาต่งตัไปารักษาเป็นขนาดี่อันนึ่งถึงนจต้องรักษาสมบัติที่ไหลมาถึงจะหนีรักษรเจ็บดูใงที่ใช้จ่า อะไรก็คือการมีการสอนไปเือกรีตัว่าต่ังแก่สบตที่เนหน้าได้แปตายเ่สมบัิเกิุดหาได้ไมแต่เราเกิเกียงไป ใช้กาต้นเตือเกี่ยวกับน่าหนี้การเนรเต้ี่วใอย่างไรัเที่มื่อกนใ่เนการเต้ะบการเนอย่างไรวเก็ินเก็บัายไ้เพื่อต้ง่าะีเพื่อตั้ที่จะมา ลายมาลายตาไม่เหมาะนเดี่ยวว่าลานนาทีิี้ตากาลยานนี้ตาตาเป็นเ่อกต่อไปมีการกระชืการกระชืเป็นส่วคัอันนงถงจะไากแหลมเลว่าอาจจะกระอ้นกาลยานี้ เป็นนิสิตยุ่งยันเปยนนดนนเรนีให้เีย่นนนเียนรับจีนไการล่าเรืการสา่ การเคลื่อนยุทธ์การการเคลื่อนยุทธ์เป็นกรั้งในหนงแบบกาิดใจในหลังไหลยืดยืดได้ดีด้วยตามนึกหรือเราตอกยึดเนตั้งใิตบหนัขึ้นของเขาเลยได้จิตยจแบเป็นการวาดแบบเคลื่อนยุทป็นดี เราอยากเรียนอะไดรับเปลี่ยนอะไรไปดีทำอะไรท่อเเนี่ยเกลงเยงเี่เป็นปยอาง่ตั้ง เออทางเพศเจ้าจะมีความสยันี่เรียนถ่ายสมบัติเอกสาอะไรมาโดยกัรการรักษาทางเพศเาตกชิ้นไอ่องเรียนแบบเรือนเยอเนอะะไรแบบนี้ทางเพศยบสีดีเจ็บมีความทุกข์สีแการเตะเตะไรมีไรเหลวหรือมีความเจ็บทางกระบา เออดอยากอยากเปนพเป็นพอไปนะตัใจทำใจทำอะไรที่ใจอยากเดีเราจิตขาดจิตละความระโยชน์ก็จะบางอเ่างเองจิตเอนเยาอนเนใจใจต่างหรือจะอยากอาลับายกงอะไรน เหลือเงินตนันนต่างๆนะเกิดเหลือต่างๆเนแบบนั้นเรานะทำต่า ง, าางนะาะที่วันเป็นนิสัยอาชีพอาชีพจิตจิตเกิดจิตดีแล้วหยคนดื่มกนื่เินตันพัันต่างๆแล้วตางกันีัตไปที่จะร่เรย มีแต่คนเล่นแบบนแต่ตามกฎเกเหมือนกันจะหยุดยงดลใจเดือดีใจแรเนี่ยลอย่างวายบ้านเราถึงเคยต้นีเสียงดังอย่างเสเงียบเสยจที่จากกันในเสียงร้าวจัหั ก็เป็นเสือติดนืดรถเมล์รถวนาที่เราีัปนเป็นนเียแได้่เาวนี้็่าเร้นูใเบกที่บ้น ตัดผเป็นอย่างนี้อถึงจะได้มามามาขนาดไหนเงินเราไหล้นยอดเงินละเตเต็นหรหนาวหรือเา็นระย้าๆเป็นบ้านใจมีคนมีเลื่อนแต่ตานอย่างเงี้ยเสียเงี้ใครจัดคนใดจะไปเห็นภาพท้อังสี่เหมือนหมาตาย มีจมสาระาอะไรดีจังส า, าระเป็นอย่างนี้นเป็ น, นเอาใจดีแ่จแขนใเพิ่มเติมเหน่อยใจในโลกมันทอดแบบนี้ยื้อใจอย่างคือใช้คำมาจัเป็นอย่างไรวนันกางใจเใจเปลอาว่า เพราะนั้นเป็นทางลำเรือจริงจังถได้เงินอย่างนี้ทาเวายไปใช้ใช้อยู่เนี้ยทางทางสามล้านห้าพันแล้ต่โดยเรนี่รรเทรบนบางทีแล้าอเวเนี้ยอยางน้อยตัตั้งอง อะไรที่มีข a าเรตเตอร์หน้าที่นี่จะเล้แกแทำู่อย่างนเป็นเนี่ย้เขียง้่กางอาศัยเกิดขอค่เขากอีกเอะไราเยเ็แว่าบียนนั้นได้เส เดี๋ยวว่า n จากหายจนถ t าดืดดืดยึดเอาไว้ใน่าาราจะเป็นน้ำหักตัวน่ยปีนใจองปีนไมาและรักษาในดัน้องติดไม้ไปโดยอการต่างๆวยี เมื่อเร็วๆเป็นอ n ่างนี้เกิดมาแล้ n แต่งแต่งนะต้นบัตทสรติบายเกิดานื่อยตายหรอะไรสืบเรืมาหรืออะเกิดตายไม่ได้เนี่ยแต่ทำมาเยอกันถือประโยชน์ับเจ้าบังสืบสืบต่างๆล่าสอนแต่เป็นเช่นหนึ่งเชยันไม่รักษา เลือดตัวทั้งตัวแต่นาทั้งรกดยาะเียน้การกปรยผ่านน่ันัมาัดการเียย่าไปเวลาีันเีย เสี้ยหินตั้มดีวัดเด่นั้มดีฮะตัเสี้ยเสี้ยเสี้ยเด่นตั้มเ้เพ่ออื่นจะมาทำให้เราเสี้ยได้เสี้จากการตัดสินใจเสี้ยการตัดสินใจเสี้ยเป็นปัดใจตั้งใจตั้งใจจะน้อจุดด่นใหญ่ทำให้เสี้ย อย่งไต่คือการแตะองาะทนี้เป็นของสัเวลาแต่ิบานหรืออาอรจเียวเียวจะตัดทางกสวันทิวยายิ่งใหญ่แจ่มนสมเข้ามาตะกอนเข้ามา่ายเข้ามาายคือารเตี้ยวถึงทางตัดนะอย่าบา จะต้องแข็งเผาตัวเพ g ่อใชอยู่เสมอตาเห็นหน้าเห็นตาใจเหงาขี้เบี้ยร้อนเย็นวางนอนใจเป็นตุ่ยจยิ้มหน้าเยอ่อนนอนม่ลัเดบ้านหน่มเคยมีเสือปักถ้าหัวใบถ้าทั้งตั้วจะตั้งแต่ว่าหักหายใจจะหมายว่าความเบี้ยร้อนเตือนตั้งตันดีตันตันดีเปนตันเย็นเยอยากอ้ามอทำอะไเบี้ยเย็นไป ดูแดูแลเ่อาบุคคลในราการากษาการศึกษาปลับเป็นอย่างไรเยท่เปนศาท่สยากเนรดนแามันดาทนดามันดานกที่อาสากบเกจตกใจที่ด ทีรน mm. ั้บททีบ e ังาจยืดบชาเีย so, ึแตก่างกันเรตามเียอนั้นปาึแตก่างกันาเนกี่ยเหนียบใหญ่เื่อท้งเือกดแต่กสทธ่างเอา้ลยน้นั้น บังเวลาคนเดียวกันเกิดโรคเข้ากันคนเดียวกันยิ่งจกแปลกาันเพราะคามเจริญสะสมมาติดกันางทีพ่อเนี่ยอากจ้ยืดตั้งต้นเป็นต้นมียุทธ์เสอทุกต้นไร่หยิ่ไร่ายไอานตาจะอยากจะเห็นตัวตัเนยมีหน้าตาหยิ่งนใจากตัวปัญญาจะอยากจะเหนยิ่งเด่น จะเป็นไตเมือด้วยเพราะตามต้นเขาจะเป็นเมือจิตต่างบางขันบางชนจะเมือตนดินเพาะว่าตาตาขเมือต้นกบเม้นดินให้จิตให้จิตต่าเมือที่ได้าได้เมือใส่ตหนึ่งหยิตาหย่อนแต่ก็เป็นไปเราเคยเห็นจิตเป็ย่างนั้นปล่ องลาขณะขณะเป็นชอบตามเป็นเถื่อรองเนียแต่ว่าพิจิรดาาางนเยอความาอเกิดมาืัลบหรือในเรือมาต่อเงดยงโดยเาม่ อยางก็มาาเแต่วเธอกวิสนอยากะได้สมบัติท่าหาแถ้าในือวายนก่อนเัเไปบ้คือาบคือปรยนปัจจุบันตีนเรือเหมก็ มีดไกอนดวเดียดเดียวจะตางตนดเปิเนตาอะไราังเงินเดวเลแล้วเรื่องต่อไปตื่นทาเดียดขอเขาไปต่างแล้วต่ตนจังหวะตัด่าได้ท่านเนาได้เข่าตน่าแล้า่าจะดึได เรียนแบบต่อต่ายตอต่อตีไรเอาดหยาดลบากทไรทำเมื่อไปเดินถ้าขาเขาไะตกตับหรือคนที่มีว่าแต่เนาะแาเียมอื่นจะมีน้ำตาลเป็นอย่างเนาะภาวะแต่นาะตามเหงื่กระตุ้นเพราะเราผิดจังหวะเป็นอย่างเนนึกถึงแต่มีน้ำตาเีนเกี่กัน รู hey <ide> ้ควรไปเรียนวต่อค no bueno, ิวันยัไม่เศ้าใจเยปันของที่เขาออกจะไม่อยากจะออกเืยนีไม่ตกตลาดใดรนจะบเพเนี่ยอยู่กันบา่เยต่ง เราเป็น่างนและค่ะนาะทำอะไรหักใจแบบดินตามหรือตามถึงท่ต้องการก่อนแต่ที่จะมาจะเป็นเลิกกินอย่างเรราตกพจย่งไม่ใส่กันเรกเลิกมีสิ่ง่างนี้ไสกันมัเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าคนเรางกันะจตาความต้าใจไม่ใช่ยุ่งตาม คชนเสียให้จนเรก็เนื this this like so, so, ้องตันหือเกิไปแลืวล่าบ้านเลืาองไตหรบัทนก็ต่างกันตามท่านชอบอย่างไรอะไรตาความชอบขอใจใจเ่าจ็ชอบสิ่งสืเส่อสเสียจะต้องการของดีเดวกันเาะนั้นเป็นคนดีางานเดีวกันสมบัติทัศน์ฐานก็จะเนื้องกัน เลรต่างกัเป็นผู่เรศอย่งตางกัสมบัติเเป็นแบนั้นการทำดีกรเชื่อมั่มีตั้งแตตั้กาัดความใยเดือตยาตยใจผาเป็นทางนีอย่างผิดถึงความดีให้นเป็นทงเชื่อเป็นไปตางกัแฝงเอาตใจักปัจจุบันลชานเมื่อเชื่อไงใจถึงใจอย่างการทความดีเราจะมอ จยาทำารลี่ยแล้วเิดจะองมีการละใจนตัวแท็กตี้ยวยที่ยจะเปิเขาต่นเต็นจนรู้แต่ฟัง่วจะไม่มีสรั่เิกันตามตัไปเหมือตามตัเบื่อปอยากจะเกหนังานาที่จะตะงหรือจะทำหน้าเหืปกับเขารือไปจิตร สายหาที่จะได้จับต้องมันเพราะมันจะจับใส่เรานห้เราแต่เห็ีงถึงใจใหญ่แล้นการเลือดหลั่งขาเป็นกามเลือดทางอุตาหะนะล้วเลือดทำการดูเลืนดการเลือดไปเลือดสมใจรักษากายาจะเลือดใจของเวดรักษาในใจว่าจา ไปผิดตัวความผิดต่างๆเรี่องการรักษาศีลหรือว่าเป็นใจดีถึงจะดีความดีฮในปัจจุบันท่านตาเจ้าที่มีการตีสิตว์ิดมือศีลมีดัดในเตียจะไปสถานที่ใดอยู่กับใครก็ไมเชื่อใจเจ้าที่รับให้สนับสนุนการตัดมือศี เยู่ในวนักเบียเบียงคนอื่นนักขโมยคนอื่นรือติดตั้งตุ้งตันยระบบเลอย่างนั้นเข่ากับเกือบตะหมูนักใหญ่จะเสียหายไปในรูปใหญ่จะนักถีนนัเตะเราเอจอบอย่างนั้นคนอื่นเทาก็เนื้อกันเ้ามีตายมีไปเบนั้นทันชี้ให้รักษาถื่องของพัน คือเจ็บพันให้มนุษย์เราเนคนต้นบุตรข้านึ่ถือในเตลมนุษย์ด้เป็นมนุษย์ต้นบุได้เป็นมนุษย์คืหน้าไหน้าเตี้ยถืนั้นือนนงอีนนีย่ในตงเราควรจะเือนควรจรกาควรจะสะสมใเตือนีในเตียงท้ตกนต้องบัด อันนิี่พระพุทธเจ้าบัญญัติเป็นอริยสัพัจจัยนิมีส้อยู่ในจอเวาเป็นัาแไปสถานที่ใดมีความสุขามยหรือปราเรียม่อมาเกใจหรือเกียใจ่ับใเากาดนเดอยู่สุติีสิเป็นอย่างนี้ คเรื Armen, tank, so ่องปัจจุบัน้ราตนี้มเรงรินารักษางารเียมระวงอไสถานที่บตินข้อซึ่งเป็นรยาหน้าเรกลียดเตียวรักษาและสาสมไปดูเสื่อมตัว ยาคือการยาตาคือเรื่องภาษามาดใช่หรือไหรือคการเปิดใจอีกทางนเรียกว่าประโยภาพน่าตามยาอุปทานอุปกรณ์เป็นเร่องประโยชนาพน่ายึดตั้งยึดหลักความมัตามก การศึกษาอย่างกลักำลังจะส้่ออย่างไรจะดีการเรียนการศึกษาเป็นการเป็นเสมอการขาดแคลนการศ่าเป็นมินเป็นกัองยังนีกว่ามุ่คทำให้หน่วยงานภาคาชกาศึกษาภาวนานแบบเจริญสบัดรัดตางอะไรที่จะไม่ได้เกี่ยวไปจะไม่ได้ แต่ยังมีเ้าสเป็นาเเวลาก็ยังมีกับคนสิ่งนสิ้่กระดับล้าันเตาเ็วลา่ยังมีกับนสิ่งเลกระดษล้เนือกากับเ้านาคุยกันผ่านไร่ยังมีกับคนที่ีหนึ่งเพยห่กอยาล้ส้นเตัน ยังทำดีแต่เหมือนกันยังเหอนีนด่างต่อาอยอยู่ีีว่าาไปแต่ยังพอ่จาัเนคนที่นอเือาอไปดต่ว่อายไปไหนด่าหาที่ันี มนี้มีเท้ามาในเสือกทำนองเดียวกันเรามีอะไรจะเป็นชื่อเสีงคืออาไก่ข้าวไกเราจะใช้คือเราต่อคู่เพาความเสียยเรามีเาเขาจะทำหนูอีกเสียงใหญดแ้วหญ่ลึแต่มันเสี่ยเราเพิ่เกิดมาเป็นมนุษย์ก็แค่ตัวต่อตาเป็นหนาตีนตาเป็นตุ้งตานดีเเกิดมาใรืองย ใบเศเป็นอ่นพกแศาสนานะหรือใบหญ้าเใเหยืใบหรือย่างเั้นพอเกิดามนหหรือเกินตาบแ้วขาดมัจะมีแต่ในรูปอย่างเยอะขนเป็นศารนี้เป็นพวกใบบและเจอเพื่อทน่อย่ใบเศอื่นเป็นจำนวันใ น, น, น, น, น, น, น, น, นรูอยอยเนนนเปเรา เป็นเินะอบานดบ่ยคนอื่นเียงคนอคนเป็น่ใช้เดเป็นจอสักทีจทงแล้วกกเก่นเกัดต่างๆเก็เือละมี่ในเเ เรื่องัม่วมาเล็เป็นเลนอาจัยมาแล้วเกี่ยวใารเกี่ยวหนึ่งๆตอนนั้นดังนั้นี้ก็์จึงไ่เกี่ยาเน้อเยหนึสนััตว์โพิจราดังนี้ทางเกี่อวเป็นมาเกเป็นใช้ไเป็นางลำบากเมื่อเกี่ยาแล้วลืเป็นักทางมาเล็นแบบาในตัสน สิ He the chlorine, the ่งต่าอะไรตัยอต้เยอะมาเป็นมนุษย์เรามีหลังต่อไป่เราจะเกิดเป็นมนุษย์อีกบ้างห่ือจเกิดมาตัดเป็นุนทรยแต่พิ่เจ้าเมื่อสอนใจใช้เป็นแสะสมชึงเงานซ้ำดยาปรมาทไอ้ชาติมนุษย์ของเราเป็นชาติที่ต้องเตรียมเสีสสมเอเนวดางตัเหนือาตอื่น อย่เชเปตัดจากไทยัไทลาปฏิบัติศาสนารักษาอานรักษาคำของพระุเจ้าหรือเ่าเป็นพระ่ายตัต้ัดเป็นอ่าพระพ่าสัดตู้ตัโดยเ่อต่อความดีห่เชื่อมต่อศาสนาที่มัดขบแต่ในนี้เราจะเป็นอย่างไรพระพุทธเจ้าจะเป็นในนี้อย่างเราอาหารอาหารจเป็นในนี้อย่างเรา จิตใจจิตใจอาเปดุคนดีละสอคนคนดีเลี้ยไปลกันเถอะอะไรจิตใจหาเข่หนุนที่จะาะ็เลี้ยวไปตจจิตใจเป็นผทุกข์ใจตายจากผูุกข์ใจิ่งเป็อิจจาด้วยตายเป็นผู้ปฏิบัติศาสตร์าเกิดมา็อ่ เป็นสองดีวิเศษใหญ่เราเี้เราคือยินดีพอใจไว้าอีกหนึ่งมนุษย์รักพระพุทศาสนาด้ศาสนาทั้งสิ้นผันเนื้อสอนโดย่คงินาอะไรกตัวเราโดความเห็นตาเห็สายว่าใจใสตดัตว์เนี่ยใช่ไหมพระพุทธา การัาลนีเกี่ยวกับรูปแข็งเกี่วับตับนอกจากรัฐตับสนใจท่จะไปสุพาะถ้าท่านจะไปสุภาพณ์ท่านท่านไปได้เลยนะแล้วก็มาเจอกัตาอีกคือุพทีทาทันยท่พระพเจ้าพยากรณตนเปลาบุตรพะยาท่านหลังจากเส้นทุกในชาตินั้น เซนด่างะท่นานตาาเป็นผู้ทีเจ้ากัดะเป็นผันนหลายสันมานทีเจ้าบมีน้ำสังวท่านเป็นผู้ที่ทททท เ, ทเหยีดตาสงสารสุขวิมลใจเมื่อท่านมีการเหยีดตาสสา ร, สารและวเรา โทิ์นิ้หาอะไรจากเราเราจะป็นเป็นสื่อเรส pues ื่อเป็นหนึ่ลุกจิกเสียฟังความฟังต่างๆทั้งจะเป็นแก้มเนื้งท่านจะปริบัติตามใจทำทำต่างๆแต่ยังอยู่เป็นเตี๋ยวปลงใสชิ้นก้าวที่เราจะปฏิบัติอาจทำสื่อแนะนำต่างๆจะเป็นคนดคนดูคนสืเสียหรือละโล อ่างเดียด้วยสงเย็ยนชาดีเลยเสียเสือไปสู่เหนืออ่าพิจาาโดยความหดตาแล้วจะเชื่อมันโดยความทข็งขันตั้งแหนตั้งตาเพื่อปฏิบัติโดยเสียที่เดือดมาเตมือภาพคนแ่พาการพิจารณาตามพันนาแข็งขันปะยปฏิบัติควรจะ มำอด่างไรเดียกันชีวิตจะหนาแน่นทำกันไปประโยชน์พลาดาทีีวิตเดียวกันฉะนันเรามีส0ขธิ์สั่งใาใจในป่าทะเลอากจะเกิดเป็นโป๊ะอีกก็มันีอยู่ในใจเราจะไูแจกใส่ทำให้ันหัวใจหมือเกิดคนต่างๆมันจะมี ยางเหลือทั้งวนอยู่ยังนีเศษติดอยา่ยังเหลือท้งวันหรือเราทัวลาที่ไรนั้นถ้ามันลดไปหรือข่าวของเราาไปนกไปใช้้าข่าวจะยังจะยังนึกอยู่ก็ไ้ฟืเีกต่อเติมตัว้เพราะ่นายเลมันตายอี่แครื่องเล็เท่านั้นท่เป็นที่พิจารณาอาจทำ ที่เหลือปัญหาของทนเป็นจิตใจองท่านตายจากครับจดไม่มีการที่จะยอมตายจะให้เสอีกแต่ใจทางทราัดภายในใจของท่เพราะการปฏิบัติ